5. พระโหนิสัชชะสิกขาบท 98. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพท่านพระอุปนันทะสากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันธะสากยะบุตรนั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองในเระโโหนิสัตชะสิกขาบุตนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา